พระรบทแปลเรื่องพระมหากปินะเถระได้ยินว่าในอดีตการพระมหากปินะมีอภินิหารได้ทำไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตตะท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเกิดเป็นนายช่างหูกผู้เป็นหัวหน้าในบ้านช่างหูก แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลาจากกรุงพารณสีครั้งนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณพันองค์อยู่ในหิ ม, มะวันตะประเทศแดเดือนอยู่ในชนบทสี่เดือนอันเป็นเดืนฤดูฝนคราวหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นพักอยู่ในที่ไม่ไกลาจากกรุงพารณสี แล้วส่งพระปัจเจ ก, กบพุตชาวสองรูปไปยังสำนักพระราชาด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงทูลขอหัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่การทำเสนาสนะก็ในการนั้นเป็นกราวว ป, ปะมงคลแรกนาขวันของพระราชาแล้วเธอทรงสดับว่าได้ยินว่าพระปัจเจ ก, กบพุตชาวทั้งหลายมาจึงเสด็จออกไป ตระถามถึงเหตุที่มาแล้วตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญวันนี้ยังไม่มีโอกาสเพราะพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีการมงคลแรกนาขวัญข้าพเจ้าจะทำในวันที่สมดังนี้แต่ไม่ได้ทรงอรัตนนาพระปัจเจกับพูตธชาติทั้งหลายไว้เลยเสด็จกลับเข้าไปแล้วพระปัจเจกภูติชาทั้งหลายคิดว่า เราทั้งหลายจะเข้าไปสู่บ้านอื่นจึงได้หลีกไปจากที่นั้นตอนพวกบ้านช่างหูกทำบุญในขณะนั้นภรรยาของนายช่างหูกผู้เป็นหัวหน้าไปสู่กรุงพระนศีด้วยกิจบางอย่างเห็นพระปัจเจกกัะพุทธเจ้าเหล่านั้นนมัสการแล้วถามว่าท่านผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้ามาในการไม่ใช่เวลาพระเหตุไรน้อแลได้ทราบความเป็นไปตั้งแต่ต้นนั้นมาเธอเป็นหญิงที่มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยปัญญาจึงนิมนต์เราพระปัเจกับพระเจ้กกานั้นว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงรับภิกษาของที่ฉันทั้งหลายในวันพรุ่งนี้เถิดพระปเจกบระเจ้กกาน้องหญิงพวกเรามีมาก มีประมาณเท่าไหร่ชั่วข้าพวกเรามีประมาณพันรูปน้องหญิงหญิงนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกดิฉันมีประมาณพันคนอยู่ในบ้านนี้คนหนึ่งหนึ่งจะถวายภิกษาแด่พระผู้เป็นเจ้ารูปหนึ่งรูปหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงรับภิกษาเถิดดิฉันคนเดียวจะให้ทําแม้ที่อยู่แก่ท่านทั้งหลาย เราพระปัจเจกกับพุทธชาติทั้งหลายรับอารัตนานแล้วนางเข้าไปสู่หมู่บ้านเปล่าร้องขึ้นมาฉันเห็นพระปัจเจกกับพุทธชาติประมาณพันองค์นิมนต์ไว้แล้วท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่เป็นที่นั่งแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงจัดอาหารวัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเถิด และได้ให้สร้างปรมในถ้ำกลางหมู่บ้านลาดอาสนะไว้ในวันรุ่งขึ้นจึงให้นิมนต์พระปัจเจ ก, กพุทธชาติทั้งหลายนั่งอังคาาคือประเคนด้วยโภชนะอันประเีตในเวลาเสร็จพัฒกิจจึงพาหญิงทั้งหมดในบ้านนั้นพร้อมกับหญิงเหล่านั้นนมัสการพระปัจเจ ก, กพุทธชาติทั้งหลายแล้วรับเอาปฏิญญา เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ตลอดไตรมาสแล้วเปล่าร้องชาบ้านอีกว่าแม่และพ่อทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งคนหนึ่งแต่ตระกูลหนึ่งตระกูลหนึ่งจงถือเอาเครื่องมือมี ม, มีเป็ น, ปนต้นเข้าไปสู่ปา่านำทัพพะสัมประมาสร้างเป็นที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพวกชาวบ้านตั้งอยู่ในถ้อยคาของนางนั้นแล้ว คนหนึ่งกนหนึ่งทำที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งแล้วให้สร้างศาลามุงด้วยใบไม้ผันหลังพร้อมกับที่พักกลางคืนและกลางวันแล้วอุปตากพระปัจเจกกับพรุทธเจ้าผู้เข้าจำพรรษาในบนารรณศาลากองตนของต น, งตนด้วยตั้งใจว่าเราจะอุปตากโดยเคารพเราจะอุปตากโดยเคารพดัง น, นี้ ในเวลาออกพรรษาแล้วนางจึงชักชวนว่าท่านทั้งหลายจงตระเตรียมผ้าเพื่อจีวรถวายแด่พระปัจเจกบุตรชาติทั้งหลายผู้อยู่จําพรรษาในบรรณาสลาของตนของตนเถิดแล้วได้ให้ถวายจีวรมีค่าพันหนึ่งแด่พระปัจเจกบุตรชาองค์หนึ่งองค์หนึ่งพระปัจเจกบุตรชาทั้งหลาย เมื่อออกปัญษาแล้วทำอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปตอนอันนี้สงฆ์ท่านนำให้เกิดในดาวดึงก็แม้ชาวบ้านครั้นทำบุญนี้แล้วจุติจากอัธภาพนั้นแล้วเกิดในพบดาวดึงได้มีนามว่าคณะเทวบุตรแล้วเทวบุตรเหล่านั้นเสวยทิพยาสมบัติ ในพบดาวดึงนั้นในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัตสปะมาเกิดในเรือนของกุดุมพีในกรุงพระณาศีหัวหน้าช่างหหกได้เป็นบุตรของกุดุมพีผู้ใหญ่ภรรยาของเขาก็ได้เป็นทิดาของกุดุมพีผู้ใหญ่เหมือนกันหญิงเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถึงความเจริญวัยแล้ว เมื่อจะไปสู่ตระกูลสามีก็ได้ไปสู่เรือนของบุุษเหล่านั้นนั่นแหละตอนกุฎุมพีถวายมหาท า, านต่อมาวันหนึ่งเขาเป่าร้องการฟังธรรมในวิหารกุฎุมพีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้ยินว่าพระาศาสดาจะทรงแสดงธรรมปรึกษากันว่าเราทั้งหลายจะฟังธรรม จงได้ไปสู่วิหารกับภรรยาในขณะที่ชนเหล่านั้นเข้าไปสู่ถ้ำกลางวิหารฝนได้ตั้งเขาแล้วบรรพชิตทั้งหลายมีสามเณรเป็นต้นผู้เป็นกูลุ ป, ปะกะหรือเป็นญาติของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นก็เข้าไปสู่บริเวณของบรรพชิตเหล่านั้นแต่กุฎุมปีเหล่านั้นไม่อาจจะเข้าไปในที่ไหนใดได้ เพราะความที่กุลุประกศหรือญาติเห็นปานนั้นไม่มีได้ยืนอยู่ท่ามกลางวิหารนั่นเองลาดับนั้นกุฎุมีผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวกับกุดุมีผู้บริวารเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการหน้าแปลกของพวกเราธรรมดากุลบุตรทั้งหลายลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สมควรแล้วพวกบริวาร น, นาย พวกเราจะทำอย่างไรเล่ากุดุมบีพวกเราถึงอาการอันแปลกนี้เพราะไม่มีสถานที่ซึ่งมีคนคุ้นเคยกันเราทั้งหมดจะรวบรวมทรัพย์สร้างบริเวณกันเถอะเราบริวารก็เห็นด้วยตามนั้นคนผู้หัวหน้าได้ให้ทรัพย์พันหนึ่งชนที่เหลือให้คนละ500รพวกหญิงให้คนละ250สจนเหล่านั้น รวบรวมทรัพย์นั้นแล้วเริ่มสร้างบริเวณใหญ่เพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของพระศาสดาซึ่งมีเรือนยอดจำนวน 1,000 หลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอเพราะความที่นวกรรมคืองานก่อสร้างเป็นงานใหญ่จึงได้ออกอีกกุละกึ่งจากทรัพย์ที่ตนให้แล้วในก่อนเมื่อบริเวณเสร็จแล้ว จนเหล่านั้นเมื่อจะทำการเลองวิหารจึงถวายมหาฐานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจวันแล้วจัดจีวรเพื่อภิกษุสองหมืรูปฝ่ายปริยาของกุุมปีผู้เป็นหัวหน้าไม่ทำให้มีส่วนเสมอด้วยชนทั้งหมดตั้งอยู่ด้วยปัญญาของตนคิดว่า เราจะบูชาพระศาสดาทำห้ยิ่งกว่าคนอื่นเขาจึงถือเอาพ่ออบดอกอังกาบกับผ้าสาดกมีสีดังดอกอังกาบราคาพันหนึ่งในเวลาอนุโมทนาบูชาพระศาสดาด้วยดอกอังกาบแล้ววางผ้าสาดกนั้นไว้แทบบาทมูลของพระศาสดาตั้งความปรารถนาว่า ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอสิริราของหม่อมฉันจงมีสีดุดดอกอังกาบนี้แหละในที่หม่อมฉันเกิดแล้วเกิดแล้วขอหม่อมฉันจงมีนามว่าอนโนชานั่นแหละพระศ า, าสดาได้ทรงทาการอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดตอนกุรุมพีภรยาและบริวารเกิดในราชตระกูล จนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดำลำรงอยู่ตลอดอายุแล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็เกิดในเทวโลกในพุทธประบาทการนี้จุติจากเทวโลกแล้วกุมภีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชสกุลในกุกกุฏวดีนครถึงความเจริญวหวแล้วได้เป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามหากปินะ คนที่เหลือเกิดในตระกูลอมาร์ตภริยาของกุดุมปีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชาตระกูลในสาคนนครในมัท ร, รัฐพระนางได้มีพระสิริระเช่นกับดอกอังกาบนั่นเดียวพระยาขนานพระนามแก่พระนางว่าอนชานั่นแหละพระนางทรงถึงความเจริญไหวแล้ว ก็ไปสู่พระราชมทีนของพระเจ้ากลับไปนะได้เป็นพระเทวีมีพระนามว่าอนโนชาแล้วแม้หญิงทั้งหลายที่เกิดในตระกูลอมาดทั้งหลายถึงความเจริญไว้แล้วก็ได้ไปสู่เรือนแห่งบุตรอมาดเหล่านั้นเหมือนกันส่วนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้สเสมบัติเช่นกับสมบัติของพระราชา ในการใดพระราชาทรงประดับเครื่องอลังการทั้งปวงทรงช้างเที่ยวไปในการนั้นแม้ชนเหล่านั้นก็เที่ยวไปเหมือนกันเมื่อพระราชาเสด็จเที่ยวไปด้วยม้าหรือด้วยรถแม้ชนเหล่านั้นก็เที่ยวไปเหมือนอย่างนั้นชนเหล่านั้นเสวยสมบัติร่วมกันด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ทำร่วมกันด้วยประการชนนี้ ก็มา้าของพระราชามีอยู่ห้าตัวคือม้าชื่อพ ล, หพลาาหะหนึ่งพระละวานาหนึ่งปุปพะหนึ่งปุปพะวานาหนึ่งและสุปัตะหนึ่งมันม้าเหล่านั้นม้าชื่อสุปัตะพระราชาทรงเองม้าสี่ตัวนอกนี้ได้พระราชทานแก่พวกม้าใช้เพื่อประโยชน์ นำข่าวสารมาพระราชาให้ม้าใช้เหล่านั้นบริโภคแต่เช้าตรู่แล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านไปเถิดเที่ยวไปสองหรือสามโยน์แล้วทราบว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อุบัติแล้วจงนำข่าวที่ให้เกิดสุขมาแก่เราม้าใช้เหล่านั้นออกโดยประตูทั้งสี่ ได้เที่ยวไปสองถึงสามโยชน์ไม่ได้ข่าวก็กลับตอนพระราชาได้ข่าวพระรัตนตรยัยจากพ่อขาหมาต่อมาวันหนึ่งพระราชาส่งมาชื่อสุ ป, ปตตะอันอมัดพันหนึ่งแวดล้อมเสด็จไปพระราชอุทยานทอดบระเนตเห็นพวกพ่อขาประมาณห้าร้อย ผู้มีร่างกายอ่อนเปลี่ยนกำลังเข้าสู่พระนครแล้วทรงดําริว่าชนเหล่านี้ลำบากในการเดินทางไกลเราจะได้ฟังข่าวดีอย่างหนึ่งจากสำนักแห่งชนเหล่านี้เป็นแน่จึงรับสั่งให้เรียกพ่อค้าเหล่านั้นมาแล้วตลัสถามว่าท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนโอปะขาพระเจ้าพวกข้าพระรงคมาจากนครชื่อสาวถี ซึ่งมีอยู่ในที่ประมาณ120โยตจากพรตตะก่อ น, นี้พระราชาก็ข่าวอะไรอะไรอุบัติขึ้นในประเทศของพวกท่านมีอยู่หรือพวกพกาขา่ขาวอะไรอะไรอย่างอื่นไม่มีพระเจ้าข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงมีพระสรีระอันปีติมีวันะห้าอย่าง ถูกต้องแล้วในทันใดนั้นนั่นเองไม่อาจเพื่อจะกาหนดอะไรอะไรได้ทรงยับยั้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตราสถามว่าพบท่านกล่าวว่าอะไรนะพ่อปวกพ่อค่กราบถูลว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นลาภประช า, าแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สพระราชาก็ทรงยับยั้งอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน ในวาระที่สีรัตตามว่าพวกท่านกล่าวอะไรนะพ่อเมื่อพ่อ้าเหล่านั้นกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วพระชก้่าจึงตรัสว่าพ่อ้าทั้งหลายเราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งข่าวอะไรๆแม้อื่นอีกมีอยู่หรือป่าพวกพ่อขากราบทูลว่ามีอยู่พระชก้่า พระธรรมอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสถับแม้คำนั้นแล้วทรงยับยั้งอยู่ตลอดสา ม, มาระโดยนัยะก่อนนั่นแหละในเวลาที่สเมื่อพ่อค้ากราบทูลคำว่าธรรมโมจึงตรัสว่าแม้เพราะบทนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งเราจึงตรัสตามว่าข่าวแม้อย่างอื่นมีอยู่หรือพ่อ พวกพ่อค้ากราบทูลว่ามีอยู่พระเช่าค่าพระสังคารัตนะอุบัติขึ้นแล้วประราชาทรงสดับแม้คำนั้นแล้วทรงยับยั้งอยู่ตลอดสามวาระอย่างนั้นเหมือนกันในวาระที่สเมื่อพวกพ่อค้ากราบทูลคาว่าสังโคจึงตรัสว่าแม้พระบทนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่ง แล้วทรงแลดูอมามัดพันหนึ่งกระตามว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านจะทําอย่างไรผูอร้อามัดก็พระองค์จะทําอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าพระราชาพ่อทั้งหลายเราได้สดับว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วจะไม่กลับอีกเราจะอุทิศ ต, ต่อพระศาสนา ไปบวชในสำนักของพระองค์พวกอมัดแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะบวชพร้อมกับพระองค์ด้วยพระเจ้าตอนพระราชาออกบัณฑ์พร้อมกับอมัดพระราชารับสั่งให้เจ้าพนังงานอารักษ์เจ้ารึกหักษรลงในแผ่นทองแล้วตรัสกับพวกพอกาว่าพระเทวีพระนามว่าอโนชา จากพระราชทานทรัพย์สามแสนแก่พวกท่านก็แลพวกท่านอย่าทูลอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ถวายพระองค์แล้วพระองค์จงสเสวยสมบัติตามสบายเถิดก็ถ้าว่าพระเทวีจะตรัสถามพวกท่านว่าพระราชาเสด็จไปไหนพวกท่านพึงทูลว่าพระราชาตรัสว่าจะบวชอุทิศพระศาสดาดังนี้แล้ว พระเจ้ามากับปี น, นั้นนั้นก็เสด็จหลีกไปแม้อมาตทั้งหลายก็ส่งข่าวไปแก่พระยาของตนของตนอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาทรงทรงพวกพ่อค้าไปแล้วอันอมาตพันหนึ่งแวดล้อมเสด็จออกไปในขณะนั้นนั่นแหละในวันนั้นแม้พระศาสดาเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลก ในการใกล้รุ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ามาหากปิฏนะพร้อมทั้งบริวารทรงดำริว่าพระเจ้ามาหากริฏนะนี้ได้ทรงสดับความที่รัตนสามอุบัตขึ้นแต่สำนักของพวกพ่อค้าแล้วทรงบูชาคําของพวกพ่อค้าเหล่านั้นด้วยทรัพย์สามแสนทรงสละราชสมบัติอันอมมาพันหนึ่งแวดล้อม ทรงประสงค์เพื่อจะปนวดอุทิศเราจะเสด็จออกไปในวันพรุ่งนี้เท้าเธอพร้อมทั้งบริวารจะบรรลุพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายเราจะทำการต้อนรับเท้าเธอแล้ น, นี้แล้วในวันรุ่งขึ้นทรงบาทและจีวรด้วยพระองค์เองทีเดียวเสด็จต้อนรับสิ้นทาง120่ยยโย์ดุจพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงต้อนรับกำนันฉะนั้นพระองค์ทรงประทับนั่งเปล่งพระระัศมีมีวันนะหกภายใต้โคนต้นนิโครธริมฝั่งแม่น้ำจันทาพารานานทีฝ่ายพระราชาเสด็จมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้วตรัสถามว่านี่ชื่อแม่น้ำอะไรพวกอมตชื่อแม่น้ำอารวะปัจานทีพระเจ้าข้า พระราชาพ่อทั้งหลายแม่น้ำนี้มีประมาณเท่าไรอมาตโดยลึกคาวุษหนึ่งโดยกว้างสองคาวุษพระชค่าพระราชาก็ในแม่น้ำนี้มีเรือหรือแพหรือไม่ไม่มีพระชค่าพระราชาตรัสว่าเมื่อเราทั้งหลายมัวหายามีเรือเป็นต้นการเกิดคือชาติย่อมนำไปสู่ชรา ชราย่อมนำไปสู่มรณะเราไม่มีความสงสัยออกบวชอุทิศพระรัตนตรยัย้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยระลึกถึงพุทธานุสติว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตะสมมาสมบูรณาเจ้า เป็นต้นพร้อมทั้งบริวารเสด็จไปบนหลังน้ำด้วยม้าพันหนึ่งม้าสินทบทั้งหลายก็วิ่งไปดุดวิ่งไปบนหลังแผ่นหินปลายกีบก็ไม่เปียกพระราชาเสด็จข้ามน้ำแล้วเสด็จไปข้างหน้าทอดประเนษเห็นแม่น้ำอื่นอีกจึงตรัสถามว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไร อามาัดชื่อนีละวาหะมหารฑีพระชาคา่าก็แม่น้ำนี้ประมาณเท่าไรทั้งส่วนลึกส่วนกว้างประมาณกึ่งโยดพระชก้าคำที่เหลือก็เช่นกับคำก่อนนั่นแหละก็พระราชาทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำนั้นแล้วทรงระลึกถึงธรรมานุสติว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วเป็นต้น จึงเสด็จไปแล้วครั้นเสด็จถึงแม่น้ําแม้นั้นไปได้แล้วทรงทอดพระเนตรเห็นแม่น้ําอื่นอีกจึงตรัสถามว่าแม่น้ํานี้ชื่ออะไรแม่น้ํานี้ชื่อจันทภาคาณทีพระเจ้าข้าก็แม่น้ํานี้ลึกประมาณเท่าไหร่ทั้งส่วนลึกทั้งส่วนกว้างประมาณยอหนึ่งพระเจ้าข้า คำที่เหลือก็เหมือนกับคำก่อนนั่นและส่วนพระราชาทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำนั้นแล้วทรงระลึกถึงสังขารนุสติว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นสเสด็จไปแล้วก็เมื่อสเสด็จข้ามแม่น้ำนั้นไปได้ทอดพระเนตรเห็นพระรัศมีมีวันนะหกแต่พระสรีระของพระศาสดา กิ่งข้าคบและใบแห่งต้นนิโกโรธได้เป็นราวกับว่าสำเร็จด้วยทองครรมตอนพระราชาและอมรดได้บรรลุคุณวิเศษพระราชาทรงดำริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์ไม่ใช่แสงอาทิตย์ไม่ใช่แสงสว่างแห่งเทวดามารพรมนาคหรือครุฑเป็นต้นผู้ใดผู้หนึ่ง เราอุทิศพระศาสดามาอยู่จะเป็นผู้อันพระมหาโคตมะพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วแน่แท้ในตันใดนั้นนั่นเองแล้วเธอเสด็จลงจากหลังมา้าทรงน้อมพระศดีระเข้าไปเฝ้าพระศาสดาตามสายพระรัศมีเสด็จเข้าไปภายในแห่งพระพุทธรัมีเราก็ว่าดำลงไปในมโนศิลารถ ตวาังครมพระาศาสดาแล้วประทับนั่งนะส่วนข้างหนึ่งพร้อมกับประมาทพันหนึ่งพระาศาสดาทรงแสดงอนุบุกพีกรตาแล้วในเวลาจบธรรมเทศนาพระราชาพร้อมด้วยบริวารตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลํลำดับนั้นรุ่นเหล่านั้นแม้ทั้งหมดลุกขึ้นทูลขอบรระชาแล้ว พระศาสดาทรงไครโกรวนว่าบาจีวรสสำเร็จด้วยฤทธิ์ของกุฎบุตรเหล่านี้จะมาหรือหนอแหละทรงทราบว่ากุฎบุตรเหล่านี้ได้ถวายจีวรพันผืนแต่พระปัจเจกพรบพุทธเจ้าพันองค์และในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้ถวายจีวรสองหมื่นแม้แก่ภิกษุสองหมื่นรูป ภามาแห่งบาตรและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของกุลบุตรเหล่านี้ไม่น่าอัศจรรย์ใน น, นี้แล้วทรงเหยียพราชขวาแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดท่านใดนั้นนั่นเองกุลบุตรเหล่านั้นก็เป็นราวกับราตระ มีพรรษาตั้งร้อยทรงบริา 8, หารแปดออกขึ้นสู่เบหาดกลับลงมาถวายบงกมพระสัสดานั่งอยู่แล้วตอนพระนางอโนชาเทวีเสด็จออกประดวดฝ่ายพ่อค้าเหล่านั้นไปสู่ราชตระกูลแล้วได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กราบทูลข่าวที่พระราชาทรงส่งไป เพระเทวีรับสั่งว่าจงม้เติดจึงเข้าไปถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งพระเทวีตรัสตามพ่อข้าว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านมาเพราะเหตุอะไรพวกพ่อขา่าพระราชาทรงส่งพวกข้าพระองค์มายังสำนักของพระองค์ในยะว่าขอพระราชาทานทรัพย์สามแสนแก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระเทวี เพราะทั้งหลายพวกท่านพูดมากเกินไปพวกท่านทำอะไรแก่พระราชาพระราชาทรงเลื่อมใสในอะไรของพวกท่านจึงรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์มีประมาณเท่านี้พวกพวกาพระโชก้าอะไรอะไรอย่างอื่นพวกข้าพระองค์มิได้ทำแต่พวกข้าพระองค์ได้กราบทูลกล่าวแก่พระราชาพระเทวีเพราะทั้งหลายก็พวกท่านสามารถบอกแก่เราได้บ้างหรือไม่ ได้พระชจ้าาถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงบอกแกเราเถิดพวกปภกาพระชจ้าาพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกแม้พระเทวีทรงสดับคำนั้นแล้วก็มีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วโดยนัยะก่อนนั่นแหลทรงกำหนดอะไรอะไรไม่ได้ถึงสามครั้งในวาระที่สี่ ทรงสดับัว่าพุทโธแล้วจึงตรัสว่าพ่อทั้งหลายเพราะคำนี้พระราชาพระราชทานอะไรวปรกาทรัพย์แสนหนึ่งพระเจ้าข้าพระเทวีพ่อทั้งหลายพระราชาทรงสดับันข่าวหินป่า น, นี้แล้วพระราชาทานทรัพย์แสนหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายชื่อว่าทรงกระทาไม่สมกันเลยแต่เราจะให้แก่พวกท่านสามแสนเพราะของกานัน อันขัดสนของเราก็ข่าวอะไรอีกที่ตั้งทั้งหลายกราบทูลแล้วพวกพกาเหล่านั้นกราบทูลข่าวสองอย่างแม้อื่นอีกว่าข่าวอย่างนี้อย่างนี้แหละพระเทวีมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วโดยในยักก่อนนั่นแหลทรงกําหนดอะไรอะไรไม่ได้ถึงสามครั้งในครั้งที่สทรงสดับอย่างนั้นเหมือนกันแล้ว รับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละสา 0,000 พ่อค้าเหล่านั้นได้ทรัพย์ทั้งหมดเป็น12บ0 0 0แนด้วยประการชานีลําดับนั้นพระเทวีตรัสถามพ่อค้าเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายแล้วพระราชาเสด็จไปไหนพวกปะขาพระราชารับสั่งว่าเราจะบวชอุทิศพระศาสดาแล้วก็เสด็จไปพระเจ้าข่าพระเทวี ข่าวอะไรที่พระองค์พระราชทานแก่เราพ่อกาในเยาว่าพระราชาทรงสลักความเป็นใหญ่ทั้งหมดถวายแด่พระองค์ในเยาว่าพระองค์จงเสวยสมบัติตามพระประสงค์เถิดปริวีก็แล้วพวกอมัดไปไหนละพ่อผู้ปอกาแม้อ მ ัดเหล่านั้นก็กล่าวว่าเราจะบวชกับพระราชาเหมือนกันแล้วก็หลีกไปพระเจ้าข้า ระนางจึงรับสั่งให้เรียกภรรยาของอมาตเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าพวกแม่ทั้งหลายสามีของพวกเจ้ากล่าวว่าจะบวชกับพระราชาแล้วก็ไปพวกเจ้าจะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นก็ข่าวอะไรอะไรที่พวกเขาส่งมาเพื่อหมอมฉันพระเจ้าค่ะพระเทวีได้ยินว่าอมาตเหล่านั้นสละสมบัติของตนของตน แก่พวกเธอแล้วได้ยินว่าพวกเธอจงบริโภคสมบัตินั้นตามชอบใจเถิดหญิงสาวเหล่านั้นก็พระองค์จะทำอย่างไรเล่าพระเจ้าพระเทวีพวกแม่ทั้งหลายทีแรกพระราชานั้นทรงสดับข่าวแล้วประทับยืนในหนทางเดียวทรงบูชาพระตนะไตรด้วยทรัพย์สามแสนทรงสละสมบัติดุดก้อนน้ำลาย ว่าเราจะบวชแล้วก็เสด็จออกไปส่วนเราได้ฟังข่าวพระรัตนตรัยแล้วบูชาพระรัตนตรยัยด้วยทรัพย์เก้าแสนก็แลชื่อว่าสมบัตินี้ไม่ได้นำทุกข์มาแด่พระราชาเท่านั้นย่อมเป็นเหตุนำทุกข์มาแม้แก่เราเหมือนกันใครจะคุกเข่ารับเอาก้อนน้ำลายที่พระราชาส่งบ้วนทิ้งแล้วด้วยปากเล่า เราไม่ต้องการด้วยสมบัติแม้เราก็จะไปบวชอุทิศพระศ า, ศาสดายิงเหล่านั้นถ้าแม้พวกหม่อมฉันก็จะบวชกับโรคด้วยเหมือนกันพระเจ้าขระเทวีถ้าพวกเจ้าอาจก็ดีละแม่ยิงทั้งหลายเหล่านั้นรับคำว่าอาจแล้วพระเทวีจึงได้ตรัสว่าถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงมาในนี้แล้วก็รับสั่งให้เทียมรถ พันกันเสด็จออกไปกับหญิงเหล่านั้นถ้าพระเนตเห็นแม่น้ำสายหนึ่งในระหว่างทางตรัสถามเหมือนพระราชาตรัสถามแล้วเหมือนกันส่งสดับความเป็นไปทั้งหมดแล้วจึงตรัสว่าพวกเจ้าจงตรวจดูทางเสด็จไปของพระราชาเมื่อหญิงเหล่านั้นกราบทูลว่าพวกหม่อมฉันไม่เห็นรอยเท้าม้าสินทบพระเจ้า้า พระเทวีจึงมีความนําเรศขึ้นมาพระราชาจะทรงทําสัจจคิริยาว่าเราออกบวชอุทิศพระรัตนตรัยแล้วเสด็จไปถึงเราก็จะออกบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนะเหล่านั้นนั่นแลขอน้ํานี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ําเลยดัน่นนี้แล้วก็ทรงระลึกถึงกุณพระรัตนตรยัยทรงส่งรถพันกันไป น้ำได้เป็นเช่นกับหลังแผ่นหินปลายเผาและเกวียนโกงแห่งล้อก็ไม่เปียกเลยพระเทวีเสด็จฆ้าแม่น้ำทั้งสองแม้นอกนี้ไปได้โดยอุบายนั้นเหมือนกันพระศาสดาทรงทราบความเสด็จมาของพระเทวีได้ทรงธรรมโดยประการที่ภิกษุทั้งหลายผู้นั่งอยู่ในสำนักของพระองค์ไม่ปรากฏเห็นได้ แม้พระเทวีเสด็จไปอยู่ไปอยู่ถ้าพระเนตรเห็นพระรัศมีพุ่งออกจากพระสรีระของพระศาสดาทรงดรัมเบลอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วประทับยืนอยู่นส่วนข้างหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้ามาหากปพีนะเสด็จออกผนวดอุทิศพระองค์ เท้าเธอชะอรอยจะเสด็จมาในที่นี้แล้วเท้าเธอประทับอยู่ที่ไหนพระองค์ไม่ทรงแสดงแม้แก่หม่อมฉันบ้างหรือพระศาสดาตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายจงนั่งก่อนจะเห็นพระราชาในที่นี้เองหญิงเหล่านั้นแม้ทุกคนมีจิตยินดีนั่งแล้วด้วยคิดว่าในยะว่าพวกเรานั่งในที่นี้แหละจะเห็นพวกสามี พระาศาสดาได้ตรัสอนุบุพีกถาแล้วในเวลาจบเทสนาพระนางอโนชาเทวีพร้อมทั้งบริวารบรร ล, ลุโซดาปฏิผลแล้วพระมหากปินะเทระพร้อมทั้งบริวารสับุระธรรมเทสนาที่พระาศาสดาทรงขยายแก่หญิงเหล่านั้นแล้วก็ได้บรร ล, ลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย ในขณะนั้นพระศาสดาทรงแสดงภิกษุเหล่านั้นผู้บรรลุพระอารหันต์แล้วแกหญิงเหล่านั้นได้ยินว่าในขณะที่หญิงเหล่านั้นมานั่นเทียวจิตของเขาไม่พึงมีอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะเห็นสามีของตนของตนทรงผ้าย้อมน้ำฝาดมีสีษาโน้นเพราะเหตุ น, นั้นหญิงเหล่านั้นจึงไม่พึงอาจ เพือบรรลุมรกผลได้เพราะฉะนั้นในเวลาหญิงเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวแล้วพระศ า, าสดาจึงทรงสแสดงภิกษุเหล่านั้นผู้บรรลุพระอารัต์แล้วแก่หญิงเหล่านั้นแม้หญิงเหล่านั้นเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วนมัสการด้วยเป็นจังครับประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญกิจบรรพชิตของท่านทั้งหลาย ถึงที่สุดก่อนในนี้แล้วก็ถวายบังคมพระศาสดายืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลขอบรรพชาอาจารย์บางพวกกล่าวว่าได้ยินว่าแม้หญิงเหล่านั้นกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระศาสดาทรงดำริการมาของพระอุบลวรรณาเทรีแต่พระศาสดาตรัสกับอุบาสิกาเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายพึงไปสู่กรุงสาวัตถีบรรพชาในสำนักแห่งภิกษุณีเถิดอุบาสิกาเหล่านั้นที่ยวจาริกไปโดยลำดับมีสการะและสัมมานะอันมหาชนนำมาให้ในระหว่างเดินทางไปด้วยเท้าเสิ้นหนทาง120ยโยต์บวชแล้วในสำนักแห่งนางภิกษุณีได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแม้พระศาสดา ก็ทรงพาภิกษุพันรูปเสด็จไปสู่พระเชตวันทางอากาศนั่นแหลได้ยินว่าในภิกษุเหล่านั้นพระมหากัรปินะเที่ยวเปล่งอุทานในที่ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนและที่พกักกลางวันว่าสุขเนาะสุกเนาะภิกษุทั้งหลายกราบทูแลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าค้แต่พระองค์ผู้เจริญ พระมาหากปินะเที่ยวเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอท่านเห็นจะกล่าวปรารกความสุขในราชสมบัติของตนพระาศาสดารับสั่งให้เรียกพระมาหากปินะนั้นมาแล้วระถามว่ากปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารบสุขในกามสุขในราชสมบัติจริงหรือพระมาหากปินะได้ทูลว่า แคแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบการเปล่งหรือไม่เปล่งปรารภการมสุขและราชสุขนั้นของข้าพระองค์พระศาสดาตรัสว่าพิกษุทั้งหลายบุตรของเราย่อมเปล่งอุทานปรารภสุขในกามสุขในราชสมบัติก็หาไม่ได้ก็แต่ว่าความเ อ, อิบอิ่มในธรรม ย่อมเกิดขึ้นแก่บุตรของเราบุตรของเรานั้นย่อมเปล่งอุทานอย่างนั้นเพราะปรารบอมตะมหานิพพานแต่นี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสื่อนุสนที่ได้ตรัสพระกถานี้ว่าบุคคลผู้เอบอบิ่มในธรรมมีจิตใจป่องใส ย, ย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระเรียเจ้า ประกาศแล้วทุกเมื่อบาลีว่าธรรมปีติสุขังเสติวิปะสันเนนะเจตสาอริยะปะเวทิเตธรรมเมสะทารามติปันฑิตโตในการจบเทสนาะ่วนเป็นนันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้วนังนี้แหละเรื่องพระ มากะปินาเตระ